คราวที่แล้วเราก็ได้ฟังมาถึงตอนที่ชายหนุ่มชื่อจุลพลได้เล่าเหตุที่ศรัทธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เพราะเพื่อนของบิดาได้พนานาพระปัญญาทีคกลุณของพระพุทธเจ้าอย่างน่าอาัศจรรย์เช่นพระองค์เป็นหน่อเนื้อเชื้อกระยัเมื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ประกาศสัจธรรมเพื่อผู้มีดวงตาเห็นธรรมจะรับได้ พระพุทธองค์ได้โปรดนางปตาจาราองคุลีมานและนางกีสาโคตมีคนเหล่านี้ล้วนแต่ประสบความทุกข์อย่างหนักเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เขาพูดต่อไปว่าหลังจากสนทนากับพระเรวตะจบแล้วรุ่งเช้าก็จะรีบมุ่งหน้าเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทันที เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามได้เนื้อารนี้ค่ะดูก่อนท่านผู้มีอายุหนุ่มจุลพลเล่าเรื่องของตนเองจบลง ก็จ้องดูหน้าของข้าพเจ้าด้วยใบหน้าแสดงความหวังเขาหวังเต็มที่ว่าในวันรุ่งขึ้นเขาจะได้พบพระบรมศาสดาได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์แล้วเขาก็จะหมดความทุกข์เช่นเดียวกับรายอื่นๆที่เขาได้ยินได้ฟังมาแต่ถ้าเขาได้ทราบว่าพระบรมศาสดาไม่ได้ประทับอยู่ในกลุ่มราชคฤึ่เขาคงจะผิดหวังและเป็นทุกข์ และจะยังไม่บอกความจริงจนกว่าเขาจะสบายใจขึ้นมากแล้วอุบาสกเอ๋ยความทุกข์ของท่านยิ่งเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องน่าเห็นใจพูดที่ประสบทุกข์หนักด้วยตนเองเท่านั้นจึงจะรู้ประจักษ์แจ้งด้วยตนแต่ถ้าจะพูดกันด้วยความเป็นธรรมแล้วทุกข์ของท่านคงไม่มากไปกว่าทุกข์ของนางประกาศจาราที่ บุญกะเศรษฐีเล่าให้ท่านฟังที่ไหนท่านจึงกล่าวอย่างนั้นท่านผู้เจริญจุลพลถามสอดขึ้นมาดูก่อนอุบาสกอาตมาพูดเช่นนั้นก็เพราะว่าความสูญเสียของท่านน้อยกว่าความสูญเสียของนางประกาศยาราท่านสูญเสียภรรยาสุดที่รักเพียงคนเดียวแต่นางประกาศยาราสูญเสียสามีสุดที่รักสูญเสียบุตรที่รัก ทั้งสองคนสูญเสียบิดามารดาและสูญเสียพี่ชายพูดถึงปริมาณแห่งความทุกข์ความทุกข์ของท่านก็ดูเหมือนจะน้อยกว่าความทุกข์ของนางปกาจาราเพราะว่านางปกาจาราถึงกับเสียสติสัมปชัญญะกลายเป็นคนวิกลจริตไปแต่ยังสามารถประคองสติสัมปชัญญะของตนได้เป็นอย่างดีแสดงว่าทุกข์ของท่าน ยังน้อยกว่าของนางประกาจาราาและคนอื่นๆอีกมากท่านหมายความว่ายังมีคนอีกเป็นอันมากแต่นั้นเลือกที่ประสบทุกข์อย่างข้าพเจ้าหรือร้ายตรงที่ยิ่งกว่าข้าพเจ้าแน่นอนทีเดียวอุบาสกท่านไม่ได้ประสบทุกแต่ผู้เดียวตามลำพังดอกมีเพื่อนร่วมทุกข์อยู่เต็มโลกในขณะที่เรากำลังสนทนากันอยู่นี้ยังมีคนอีกนับประมาณไม่ได้ ในชมพูทวีปกำลังร้องไห้คร่ำครวญปริเวทนาการด้วยความทุกข์อาตมาเองก็กำลังประสบทุกข์ท่านกำลังประสบทุกข์และคนอื่นๆก็กำลังประสบทุกข์ก็เมื่อเรามีเพื่อนร่วมทุกข์มากมายเช่นนี้เราจึงไม่ใช่รายพิเศษที่เคอะร้ายมากกว่าคนอื่นๆเมื่อเป็นเช่นนี้ความทุกข์จึงไม่ใช่ของแปลกอะไร แต่เป็นของธรรมดาที่ทุกคนจะต้องประสบทุกทีิวาราตีเมื่อจุลพลยางนั่งก้มหน้านิ่งอยู่เป็นเชิงคิดอยู่ข้าพเจ้าจึงกล่าวต่อไปว่าอุบาสกเอ๋ยพระบรมศาสดาของอาตมา ตัดไว้ว่าชีวิตของสัตว์ไม่เคยว่างเว้นจากความทุกข์ทุกมีอยู่ถึงสิบประการคือนิพพัทธุกอันได้แก่ทุกขเนื่องนิดอันเกิดแต่ความร้อนความหนาวของอากาศประเดี๋ยวร้อนก็หาสิ่งมาบําบัดพัดเป่าให้เย็นประเดี๋ยวหนาวต้องห่มผ้าดินฟ้าอากาศไม่มีวันจะพอเหมาะพอดีสําหรับมนุษย์อาจจะมีบางขณะที่รู้สึกว่าพอดี แต่คงอยู่ไม่นานก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นถ้าดินฟ้าอากาศพอดีก็ใช่ว่าจะพ้นจากนิพพัทถุความหิวย่อมเกิดขึ้นรบกวนความสงบสุขตลอดเวลาต้องรับประทานอาหารแก้หิววันละสามสี่ครั้งพระบรมศาสดาตรัสว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งโรคอย่างอื่นเมื่อเกิดขึ้นเราบริโภคยา แก้ก็หายไปเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีแต่โรคหิวนี้เราต้องแก้กันวันละสามครั้งและจะต้องแก้กันจนกระทั่งวันตายโรคกระหายก็ร้ายแรงพอๆกับโรคหิวเราต้องดื่มน้ำแก้โรคกระหายวันละหลายๆครั้งเช่นเดียวกันในขณะที่ไม่หิวไม่กระหายก็ไม่ใช่ว่าเราจะพ้นจากนิพพัทธุ แม้บุคคลจะมีร่างกายสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็หาได้ปลอดภัยจากความเจ็บไม่ความเจ็บปวดย่อมประจำอยู่ทุกส่วนสัตว์ของร่างกายนั่งนานเกินไปก็เจ็บต้องนอนแก้นอนนานเกินไปก็ต้องยืนยืนนานเกินไปก็ต้องเดินวันหนึ่งหนึ่งเราเปลี่ยนอิริยาบถไม่รู้กี่ครั้งไม่ใช่เพื่อความสุขสบาย แต่เพื่อบรรเทาความทุกข์แม้ว่าจะไม่มีความเจ็บปวดในคราวปวดอุจจาระปัสสาวะก็รบกวนเราอยู่เสมอต้องคอยระ บ, บายมันออกเป็นครั้งคราวเพื่อบรรเทาทุกข์อุบาสกเอ้ยเพียงแค่นิพัดทุกข์อย่างเดียวท่านก็จะเห็นได้แล้วว่าสังขารร่างกายของคนเราเป็นรังของทุกข์อย่างไร าแต่ผู้ส่งรลเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้นั่งฟังความจริงข้อนี้แต่ก่อนข้าพเจ้าไม่เคยคิดไม่เคยเอาใจใส่จึงไม่เห็นว่าเป็นทุกข์นอกจากคราวที่เจ็บปวดมากมากและไม่มีทางบรรเทาเช่นปวดอุจจาระมากๆในสถานที่ที่ไม่มีที่ถ่ายเป็นต้นข้าพเจ้าเพิ่งจะทราบณบัดนี้เองขอเชิญท่านบรรยายทุกประการอื่นๆต่อไปเถิด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 ถ้าใครไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเลยผู้นั้นก็ชื่อว่าได้ลาบอันประเสริฐเพราะพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลอันพยาธิทุกนั้นข้าพระเจ้าพอจะมองเห็นได้ชัดเพราะตัวเองก็ถูกพยาธิเบียดเบียนอยู่เสมอได้บางคราวขอนิมนต์ท่านบรรยายทุกขประการต่อไปเถิด ดูก่อนอุบาสกทุกประการต่อไปเรียกว่าอาหารละปริเยตที่ทุกได้แต่ความระกำรลรระบากในการประกอบการงานหาเลี้ยงชีพเพื่อแสวงหาปัจจัยต่างๆมาบำรุงเลี้ยงตนบุตรภรรยามาดาบิดาและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูไม่มีทรัพย์ชนิดใดๆที่บุคคลจะแสวงหาได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องออกแรงกายแรงวาจาและแรงใจงานบางชนิดต้องเสี่ยงอันตรายต้องต่อสู้ดิ้นรนจนบางทีต้องถึงแก่ความตายเพราะการแสวงหาอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องน่าสนใจมากท่านผู้เจริญกรลณาเล่าต่อไปเถิดทุกประการที่สี่เรียกว่าสภาวะทุกขหรือทุกขประจําสังขารอันได้แก่ความทุกข์ทรมาน อันเกิดจากความเกิดความแก่และความตายท่านผู้เจริญจุลพลพูดขึ้นข้อที่ว่าความแก่และความตายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นข้าพเจ้าพอจะมองเห็นได้แต่ข้อที่ว่าความเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นเพราะตามปกติชาวโรคย่อมถือว่าการเกิดเป็นการได้ลาบเป็นมหบุงคล เป็นโอกาสที่ควรยินดีปรีดาคนวนาพรามย่อมมีพิธีฉลองการเกิดตั้งแต่ทราบว่านางพรามณีมีคันแรกทีเดียวเมื่อมีเครื่องแสดงว่าทารกในคันจะเป็นเพศ ช, ชายก็มีวิธีปุงสวรนะเมื่อถึงเดือนที่สี่ที่หและที่8ปดก็มีพธิธีตัดผมมารดาเมื่อทารกคลอดออกมาก็มีพิธี ชาตกรรมผู้ประกอบพิธีและผู้ร่วมพิธีต่างๆเหล่านี้ด้วยจิตใจอันร่าเริงเบิกบานเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงยังไม่เข้าใจว่าความเกิดก่อให้เป็นทุกข์อย่างไรดูก่อนอุบาสกข้ขอที่ท่านเคลือบแคลงสงสัยนั้นว่าที่จริงแล้วก็ควรแก่เหตุผลเพราะความรู้สึกและประเพณีของชาวโลกแสดงว่าความเกิด ทำให้เกิดสุขมากกว่าทุกข์แต่เราจะใช้ความรู้สึกและประเพณีของโรคเป็นเครื่องตัดสินความจริงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหาได้ไม่ความเห็นของคนหมู่มากอาจจะผิดได้เช่นเกี่ยวกับความเห็นของคนคนเดียวพระบรมศาสดาของอัตมาส่งแสดงว่าความเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะเหตุผลดังอัตมาจะได้บรรยายต่อไปแต่ก่อนอื่น อาตมาใครจะถามท่านก่อนว่าการร้องไห้ของคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นเครื่องหมายแห่งความสุขหรือความทุกข์ก็เป็นเครื่องหมายแห่งความทุกข์นะสิท่านผู้เจริญการหัวเราะ ย, ยิ้มแย้มเป็นเครื่องหมายแห่งความสุขหรือความทุกข์เป็นเครื่องหมายแห่งความสุขท่านเคยสังเกตรหรือเปล่าว่าทารกที่ยังไม่รู้เดียงสายังพูดไม่ได้แม้แต่คําเดียว เมื่อออกมาครั้งแรกนั้นเขาหัวเราะหรือร้องไห้ก็ร้องไห้สิท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าไม่เคยเห็นใครเลยที่จะหัวเราะก็เมื่อการร้องไห้เป็นเครื่องหมายแห่งความทุกข์และทารกเกิดมาครั้งแรกส่งเสียงร้องไห้ท่านจะเห็นว่าเขามีความสุขหรือมีความทุกข์มีความทุกข์อย่างแน่นอนท่านผู้เจริญดูก่อนอุบาสก อาตมากใกล้จะถามปัญหาอีกข้อนหนึ่งท่านเห็นเป็นอย่างไรจงตอบอย่างนั้นความเจ็บปวดรวดร้าวในกายยังแสนสาหัสจัดว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ที่ท่านผู้เจริญท่านทราบไหมว่ามาดาขณะที่ให้กำเนิดแก่บุตรนั้นได้รับความเจ็บปวดหรือไม่ได้รับความเจ็บปวดเจ็บปวดมากทีเดียวท่านผู้เจริญมาดาของข้าพเจ้า เล่าให้ฟังอยู่เสมอถึงความเจ็บปวดของท่านในขณะเที่ยให้กําเนิดแก่ข้าพเจ้าท่านบอกว่าไม่มีความเจ็บปวดใดๆจะเท่าเทียมกับการปวดท้องจะคลอดบุตรข้าพเจ้าก็เห็นด้วยกับท่านเพราะเคยเห็นหญิงหลายคนส่งเสียงร้องควนคลางและดิ้นทุรนทุรายอย่างน่าสงสารขณะที่จวนจะคลอดถูกแล้วอุบาสกเมื่อความเจ็บปวดเป็นทุกข์ แม่มาดาได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสในขณะที่บุตรเกิดความเกิดย่อมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยความเกิดไม่มีเพียงแต่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเท่านั้นมีมารดาเป็นอันมากต้องสิ้นชีวิตเพราะการให้กำเนิดแก่ บ, บุตรท่านผู้เจริญบัดนี้ข้าพเจ้าพอจะมองเห็นแล้วว่าชาติของความเกิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อย่างไร ข้อที่พึงกล่าวยังมีอีกอุบาสกเมื่อสักครู่นี้ท่านก็ยอมรับไม่ใช่หรือว่าความแก่และความตายเป็นทุกข์ถ้าอย่างนั้นอาตมาจะขอถามว่าถ้าไม่มีความเกิดจะมีความแก่และความตายได้ไหมไม่มีเลยท่านผู้เจริญเพราะมีเกิดจึงมีแก่และมีตายถูกแล้วอุบาสกความแก่และความตายย่อมเกิด มีเพราะความเกิดโดยแท้ฉะนั้นความเกิดจึงเป็นเหตุให้ทุกข์ทั้งสองประการความแก่และความตายเปรียบเสมือนประตูเปิดทางไปสู่ความทุกข์เพราะฉะนั้นความเกิดจึงจัดได้ว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เท่าเท่ากับความแก่และความตายหรือบางทีอาจจะเป็นเหตุสําคัญยิ่งกว่าก็ได้ดูก่อนท่านผู้มีอายุ เมื่อข้าพเจ้าและจุนพลสนทนากันมาถึงตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยเข้ามาัจิมยามหมู่บ้านและชาวบ้านต่างตกอยู่ในความมืดแห่งราตรีและความเงียบสงัดวังเวงนานๆจะมีเสียงเห่าหอนของสุนัขดังแว่วมาแต่ไกลอากาศเริ่มหนาวเย็นลงพอดีดวงไฟที่เราใช้ส่องแสงสนทนากันเกิดดับลงเพราะน้ำมันหมด เราจึงตกลงกันว่าจะพักการสนทนากันไว้ก่อนท่านผู้จเจริญจุลพลกล่าวก่อนจะจากไปนอนที่มุ่มขางตนข้าพเจ้าได้รับความรู้เป็นอันมากจากการสนทนากับท่านยังรู้สึกว่าความทุกข์ของข้าพเจ้าลดลงอย่างประหานอีกด้วยถ้าท่านไม่รีบร้อนในการเดินทางวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าอยากจะสนทนากับท่านอีก เช้าวันลุ่งขึ้นข้าพเจ้าตื่นแต่เช้ามืดนั่งเข้าที่ทำสมาธิตามที่เคยปฏิบัติมาทุกวันพอเวลาลุ่งสว่างก็ออกมาจากสมาธิแผ่เมตตาจิตอันไม่มีประมาณไปยังสันตนิกายทุกหมู่เราแล้วก็กระทำสติระกิจมีการล้างหน้าเป็นต้นเมื่อข้าพเจ้ามองไปยังมุมห้องของจุลพลก็หาได้พบตัวเขาไม่แต่สิ่งของของเขา คงวางอยู่กับที่ตามปกติเขาคงจะออกไปทาธุระข้างนอกเมื่อได้เวลาข้าพเจ้าก็ห่มจีวรซ้อนสังคติสะพายบาทเดินไปตามถนนในหมู่บ้านเพื่อพิขาจารข้าพเจ้าหยุดยืนก้มหน้าชั่วสี่ศอกที่หน้าหมู่บ้านแต่ละหลังชั่วระยะเวลาอันพอสมควรพอให้คนในบ้านมองเห็นถ้าเขานิมนต์ให้คอยรับพัฒตาหารก่อน ก็หยุดยืนคอยต่อไปถ้าเขานิมนต์ให้ไปโปรดข้างหน้าก็เดินต่อไปอย่างบ้านถัดไปแต่ถ้ายืนเป็นเวลานานแล้วและคนในบ้านก็เห็นแล้วแต่ไม่มีใครออกปากนิมนต์ให้อยู่หรือให้ไปข้าพเจ้าก็จะทราบว่าบ้านนั้นเป็นพาหาิชนนอกพระพุทธศาสนาแล้วก็จะเดินจากไปอย่างบ้านอื่นเช้าวันนั้น ข้าพเจ้าได้พัฒหารเพียงเล็กน้อยเพราะได้ทราบว่าประชาชนในหมู่บ้านนั้นส่วนใหญ่เป็นสาวกของาศาสดามหาวีระผู้ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ของพระบรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประชาชนได้รับคําสั่งไม่ให้กระทําสามีจิตกรรมแก่นักบวชนอกาศาสนาและมิให้บํารุงนักบวชเหล่าอื่นด้วยปัจจัยสี่เพราะเหตุนี้จึงมีคนใส่บาตรน้อย ข้าพเจ้ากลับสู่เรือนว่างที่พักเพื่อทําพัฒกิจต่อไปพอเข้ามาในที่พักก็พบกับยุรพลกําลังทําอะไรครุกอยู่ข้างหลังบ้านเมื่อเห็นข้าพเจ้านั่งลงเตรียมทําพัฒกิจเขาก็หอบอาหารพรุมพลังเข้ามาในห้องน้อมถวายข้าพเจ้าเขาบอกว่าเขารีบตื่นแต่เช้าแล้วก็รีบไปเที่ยวซื้ออาหารมาทําเตรียมไว้เพื่อถวายข้าพเจ้าส่วนหนึ่ง เพื่อบริโภคเองส่วนหนึ่งข้าพเจ้านึกชมและอนุโมทนาในกุศลเจตนาและความขวนขวายของเขาอยู่ในใจเมื่อทำพัตตกิจเสร็จเขาก็รับเอาบาทของข้าพเจ้าไปล้างเช็ดและก็นำมาเก็บไว้ในที่เดิมนับว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่ฉลาดและมีน้ำใจอันงามที่เดียวท่านพูดเจริญจุลผลกล่าวขึ้นข้าพเจ้ายัางใครจะฟังท่านบรรยาย เรื่องทุกต่อไปอีกในราตรีที่ผ่านมาท่านบรรยายถึงสภาวะทุกข์อันเกิดจากชาติชาราและมรณะเมื่อเราแยกย้ายกันไปพักผ่อนหลับนอนแล้วข้าพเจ้ายัางนำเรื่องทุกข์ไปคิดอีกจนกระทั่งเวลาย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามจึงก้าวลงสู่ความหลับแปลกมากท่านผู้เจริญเมื่อได้ฟังเรื่องทุกข์จากท่านและนำไปพิจารณาเพิ่มเติมอีก เห็นทองแท้ด้วยตัวเองข้าพเจ้ารู้สึกสบายขึ้นมากทีเดียวเพราะเหตุว่าทุกข์เป็นของธรรมดาประจำชีวิตที่ทุกคนได้รับอยู่เป็นประจำไม่มีใครพ้นไปได้เมื่อก่อนข้าพเจ้าหวาดกลัวทุกขลังเกียจทุกขแม้แต่ว่าคําว่าทุกข์ก็ยังไม่อยากได้ยินข้าพเจ้าพยายามหลีกเลี่ยงความทุกข์ด้วยกายโดยพยายามทําตนให้มีความสุขทุกเมื่อหลีกเลี่ยงวาจาโดยไม่พูดถึงทุกข หลีกเลี่ยงด้วยใจโดยพยายามไม่คิดถึงความทุกข์แต่ทั้งๆ ท, ที่พยายามหลีกเลี่ยงข้าพเจ้าก็หนีไม่พ้นต้องประสบเข้าจนได้เมื่อประสบเข้าครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันหนักหน่วงรุนแรงจนแทบเอาชีวิตไม่รอดทีเดียวอุบาสกเอ้ยคนในโลกย่อมหวาดเสือุ่งต่อความทุกข์และพยายามหลีกเลี่ยงทุกข์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เช่นเดียวกับท่านเมื่อเป็นเช่นนี้เขาย่อมไม่คุ้นเคยกับความทุกข์ไม่จินชาต่อความทุกข์มัวสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับความสุขเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเขาย่อมเสียขวัญย่อมเป็นทุกข์มากจนไม่สามารถจะทนได้จนบางคนต้องทำลายชีวิตของตนเองเพื่อหนีความทุกข์ดูก่อนอุบาสกสิ่งใดก็ตามถ้าเราไม่มีความคุ้นเคย เราจะเกิดความหวาดกลัวแต่ถ้าเรามีความสนิทสนมคุ้นเคยเสียแล้วความหวาดกลัวย่อมหายไปพระบรมศาสดาทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทให้ความคุ้นเคยกับทุกข์ไว้ด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยใจบ้างพระองค์ทรงสอนให้ทำความคุ้นเคยกับทุกข์ทางกายอย่างไรพระองค์ทรงสอนว่าพุทธบริษัท ต, ต้องมีสติกหนด รู้ทุกขเวทนาทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับกายทุกเมื่อเช่นเมื่อเจ็บก็ให้รู้ว่าเจ็บเมื่อปวดก็ให้รู้ว่าปวดเมื่อหิวก็ให้รู้ว่าหิวเมื่อเก็ให้รู้ว่าเมื่อยเป็นต้นพระองค์ทรงสอนให้ทําความคุ้นเคยกับทุกข์ด้วยวาจาโดยให้หมันสนทนาธรรมอันปรัรบทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นต้น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 และปัญญาสำหรับหาทางแก้ทุกข์ด้วยอุบายอันชอบสามารถนำตนพ้นทุกข์ไปสู่ความสวัสดีได้เพราะฉะนั้นการรู้จักทุกข์คุ้นเคยกับทุกข์แทนที่จะเป็นโทษกลับเป็นคุณอันยิ่งใหญ่ยุรพลนั่งฟังมาด้วยความตั้งอกตั้งใจตลอดเวลา แล้วกล่าวขึ้นว่าขนาดข้าพเจ้ารู้จักทุกจากท่านเพียงสี่อย่างข้าพเจ้าอย่างรู้สึกสบายใจถึงเพียงนี้ถ้ารู้จักครบทุกชนิดคงจะสบายใจขึ้นอีกมากทีเดียวขอนิ ม, มนต์ท่านบรรยายทุกประการอื่นๆต่อไปเถิดดูก่อนอุบาสกทุกประการที่หเรียกว่าสันตาปทุกเป็นทุกทางใจอาการที่ใจร้อนรุ่มกระสับกระส่าย กระวนกระวายเพราะถูกไฟกิเลสต่างๆเผาเอาเช่นไฟโลภไฟโกรธไฟหลงเป็นต้นปุถุชนผู้ยังมีกิเลสย่อมถูกกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเผาหลนจิตใจอยู่เสมอไม่มีเวลาว่างเว้นถ้ากิเลสมีกําลังน้อยก็ร้อนร่นน้อยถ้ามีกําลังมากก็ร้อนหลนมากท่านเองก็คงจะเคยถูกกิเลสชนิดใดชนิดหนึ่งเผามาแล้วกระมัง จุลพลยิ้มอย่างอายๆแล้วพูดว่าเคยสิท่านผู้เจริญข้าพเจ้ายังจำได้ดีถึงวันที่ข้าพเจ้าได้ชมรูปโมของปัตมวดีเป็นครั้งแรกที่ท่าน้ำหลังจากเห็นเธอแล้วข้าพเจ้าก็กลับบ้านและคิดด้วยจิตใจอนันเร่าร้อนด้วยราคะจนกระทั่งนอนไม่หลับทีเดียวนั่นแหละคือสันตาปทุกละข้าพเจ้ากล่าวต่อไป ตามปกติเมื่อบุคคลผู้อันลาคะโทสะโมหะอันนี้มีกำลังแรงครอบงำแล้วย่อมกระทำความชั่วความเสียหายแก่ตนและผู้อื่นด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยใจบ้างเมื่อกระทำความชั่วแล้วย่อมได้เสวยผลทุกอันเป็นผลของกรรมชั่วนั้นนี้เป็นความทุกข์ประการที่หกเรียกว่าวิปากทุก ท่านเคยประสบทุก์ประเภทนี้มาบ้างหรือไม่เคยสิท่านผู้เจริญยูโดพลกล่าวขึ้นอย่างตื่นเต้นหลังจากนั่งคิดอยู่สักครู่หนึ่งคราวหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้ากําลังจัดการช่วยท่านบิดาทาตของข้าพเจ้าคนหนึ่งได้กระทําความผิดอย่างรุนแรงข้าพเจ้าโกรธจัดจนขาดสติสัมปชัญญะและก็ได้ใช้กําลังกายทุบตีทาตคนนั้นจนได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง แต่เมื่อความโกรธหายไปแล้วข้าพเจ้าเกิดความทุกข์หนักเพราะเสียใจในสิ่งที่ตนเริกรร่กทำด้วยอำนาจของความโกรธเกิดความสงสารทานคนนั้นอย่างจับใจไม่นำซ้ำยังถูกท่านบิดาด่าเสียอีกทุกคราวนั้นทำเอาข้าพเจ้านอนไม่หลับตลอดคืนทีเดียวดูก่อนอุบาสกในกรณีเมื่อบุคคลถูกความโกรธความหลงครอบงาแล้ว เขาย่อมจะเกิดการขัดแย้งกับคนอื่นหลังจากนั้นความเดือดร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายอันสืบเนื่องมาจากการทะเลวิวาทนั้นก็เกิดขึ้นนี้จัดเป็นทุกข์ประการที่เจ็ดเรียกว่าวิวาทะบุรกาทุกข์อาตมาเชื่อว่าแม้ท่านเองก็คงเคยประสบทุกขชนิดนี้มาบ้างแล้ว ศบเสมอท่านสมณะข้าพเจ้าเองพยายามที่จะไม่ทะเลาะวิวาทกับใครแต่แม้กระนั้นก็ไม่วายที่จะมีศัตรูศัตรูของข้าพเจ้าเป็นบุตรคฤหาบดีคนหนึ่งในจำปานนครนั่นเองเขาเป็นชายหนุ่มที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับข้าพเจ้าเมื่อก่อนเราก็เป็นเพื่อนกันภายหลังเกิดขัดใจกันเรื่องการค้าเขาเลยไม่พูดกับข้าพเจ้าทุกครั้งที่เราพบหน้ากัน เราพยายามหลบหลีกกันในเวลาเดียวกันก็รู้สึกกระวนกระวายใจไม่สบายดูก่อนอุบาสกอันชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้พระพุทธองค์สงเปรียบด้วยช้างที่เข้าสู่สงครามธรรมดาช้างในสงครามย่อมต้องอดทนต่อลูกศรที่ฆ่าศึกยิ่งมาจากทิศ ท, ทั้งสี่ชีวิตในมนุษย์ในโลกนี้ต้องอดทนต่อลูกศรเหมือนกันลูกศรคืออะไรคือได้ราบ เสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้สรรเสริญถูกนินทาเป็นสุขเป็นทุกข์ลูกศรเหล่านี้คอยรบกวนทำให้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนความเดือดร้อนอันมาคู่กับโลกธรรมทั้ง8ประการนี้ท่านจัดเป็นทุกข์ประการที่8เรียกว่าสหคัตตทุกข์ท่านพูดเจริญข้อที่ท่านจัดเอาความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทา เป็นความทุกนั้นข้าพเจ้าพอจะเห็นด้วยแต่ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นเลยว่าลาบยศสันเซิญสุขจะเป็นทุกข์ได้ยอย่างไรดูก่อนอุบาสกข้อนี้ควรแล้วที่ท่านจะสงสัยเพราะส่วนมากปรารถนาลาบยศ ส, สรนเริญสุขเมื่อได้ราบยศสรนเริญสุขสมปรารถนาก็มีความสุขใจแต่ท่านต้องไม่ลืมว่าลาบก็ดียศ สรรเสริญสุขก็ดีที่เราได้มานั้นมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้ถาวรด้วยอย่างเช่นบุรุษคนหนึ่งเมื่ อ, อยังไม่มีรถเทียมด้วยมา้าเขาก็อาจจะต้องไปยังที่ต่างๆด้วยเท้าแต่เขาก็สบายใจเพราะไม่ต้องมีภาระที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาซ่อมแซมดูรถและเลี้ยงมา้าแต่เมื่อเขามีรถแล้วเขาจะต้องเป็นกังวลใจด้วยรถจะต้องเสียเวลา และเสียทรัพย์ในการดูแลรักษาซ่อมแซมส่วนต่างๆของรถที่จํารุดสุดโทมลงทุกวันทุกวันเขาจะต้องเสียเวลาและเสียทรัพย์ในการเลี้ยงบํารุงมา้าเพราะฉะนั้นทรัพย์ทั้งหลายย่อมมีปัญหายุ่งยากต่างๆอยู่เป็นประจำในตัวของมันเมื่อมีทรัพย์ก็ต้องมีปัญหาที่จะต้องแก้ยิ่งมีทรัพย์มากก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นเศรษฐีกฤหาบดี ผู้มีทรัพย์มากจะมีความเป็นห่วงกังวลมากกว่าคนที่มีทรัพย์น้อยกินน้อยนอนน้อยกว่าคนจนอายุจะสั้นกว่าคนจนทำงานหนักกว่าคนจนถ้าท่านพิจารณาดูให้ดีท่านจะเห็นว่าเศรษฐีคลิบาบดีผู้มีทรัพย์มากย่อมทำงานหนักเพื่อรักษาทรัพย์ให้คงอยู่และแสวงหาให้มากยิ่งขึ้นจนไม่มีเวลาที่จะแสวงหาความสุข จากทรัพย์อย่างเต็มที่ฉะนั้นสุขที่เกิดจากทรัพย์จึงเปรียบเสมือนบุรุษอาศัยเรือรั่วข้ามฝากเขาจะต้องเสียเวลาในการปิดรูรั่วมิให้เรือจมจนลืมความสุขสำราญใจแต่ในที่สุดเรือก็จมลงก่อนถึงฝั่งเพราะเหตุนี้เองพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าแม้ลาบยศสรรเสริญสุข ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้เช่นเดียวกันท่านพอจะเห็นแล้วหรื อ, อย่างท่านผู้เจริญท่านพูดถูกต้องทีเดียวถ้าพิจารณาอย่างผิวเผินจะเห็นว่าลาบยศสรนเริญสุขให้แต่สุขอย่างเดียวแต่ถ้าพิจารณาให้รอบครอบก็จะเห็นว่ามันนำเอาความทุกข์มาคู่กับสุขด้วยข้าพเจ้าเห็นด้วยอย่างเต็มที่ขอเชิญท่านบรรยายต่อไปเถิด ดูก่อนอุบาสกชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้ดังใจหมายบางครั้งเราจําต้องพัดพลากจากบุคคลที่เรารักแม้เราจะไม่พลากจากเขาเขาก็พลากจากเราดังกรณีที่ท่านพัดพลากจากปัตถมวดีเป็นต้นบางครั้งเราก็พัดพลากจากสิ่งของหรือเหตุการณ์ซึ่งเรารักเราชอบใจเมื่อเกิดความพลัดพลาดแล้วความเสียใจ โศกเศร้าปริเวทนาการก็เกิดขึ้นจัดเป็นความทุกข์ประการหนึ่งในโลกนี้อาจจะมีบุคคลสิ่งของหรือสถานการณ์เป็นอันมากที่เราเกลียดเราไม่ชอบเราพยายามหลีกเลี่ยงแต่ในที่สุดเราก็จําเป็นต้องประสบเข้ากับมันจนได้เมื่อประสบเข้าแล้วก็เกิดความเสียใจโศกเศร้าปริเวทนาการนี่จัดเป็นความทุกข์อีกประการหนึ่ง มนุษย์ผู้ตกอยู่ในอำนาจของตัณหาย่อมจะมีความต้องการปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอเริ่มพังความอยากที่เกิดขึ้นเผาลนจิตใจให้เร่าร้อนกรวนกรวยนั้นก็จัดเป็นสันตาประทุบุถ้าเราได้สิ่งที่เราต้องการสมความปรารถนาก็พอจะเป็นสุขขึ้นมาบ้างแต่ถ้าไม่ได้สมความปรารถนาย่อมจะเกิดความผิดหวังเป็นทุกข์โศกเศร้า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 ผู้ยังมีรักมีเกลียดมีความหวังย่อมไม่มีทางหลีกเลี่ยงจากทุกประเภทนี้ได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์เต็มแผ่นดินก็ไม่มีทางพ้นจากปกิณากาศทุกข์ดูก่อนอุบาสกเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วชีวิตร่างกายอันประกอบด้วยขันทั้งห้านี้แลคือค้อนแห่งความทุกข์เพราะทุกอื่นดั่งที่อัตมาบรรยายมาเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยชีวิตร่างกายนี้ถ้าไม่มีชีวิตร่างกายนี้ทุกอื่นๆก็ไม่มีเพราะฉะนั้นขันทุกทั้งห้าจึงเป็นทุกประการสุดท้ายคือทุกขันเป็นภาระอันหนักที่เราจะต้องแบกหามไว้ตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายคนส่วนมากแบกขันห้าเฉพาะของตนเองอยังไม่พ อ, อยังต้องแบกขันห้า ของคนอื่นๆอีกรวมเป็นสิบขันบ้างยี่สิบขันบ้างสี่สิบขันบ้างจึงได้รับความลำบากความเหน็ดเหนื่อยและความทุกข์อย่างแสนสาหัสดูก่อนจุลพลพระผู้มีพระภาคย่าวส่งแสดงทุกไว้สิบประการดังที่ได้กล่าวมานี้ ทรงศีนเมื่อได้ฟังการบรรยายทุกสิบประการอย่างละเอียดจบลงแล้วข้าพเจ้าก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าชีวิตนี้ทั้งหมดเป็นก้อนแห่งทุกข์เป็นกระบวนการอันยาวนานแห่งทุกข์ไม่มีเวลาใดที่จะว่างเว้นจากความทุกข์แต่ข้าพเจ้าก็มีความสงสัยอยู่บ้างว่าเพราะเหตุใดจึงมีคนบางคนในโรคนี้ที่ยังกล่าวว่าตนมีความสุขตนกําลังเสวยความสุข เขากล่าวเช่นนั้นเพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุอุบาสกเอ๋ยอาตมาก็เคยได้ยินได้ฟังเหมือนกันว่าบุคคลชื่อนั้นชื่อนั้ น, น, นเป่งอุทานออกมาว่าต้นมีความสุขแต่ครั้นสอบสวนดูตามความจริงแล้วกลับเห็นเขาหาได้รับความสุขแท้จริงไม่ตรงกันข้ามเขารู้สึกว่าเขาเป็นสุขเพราะเขาสามารถบรรเทาทุกข์ที่มีอยู่ให้ลดลงไปได้บ้างเท่านั้น หมายความว่าคนเรารู้สึกสุขก็เพราะความทุกข์เบาบางลงยกตัวอย่างเช่นบุรุษคนหนึ่งอดอาหารมาเป็นเวลาหลายวันเขาย่อมถูกความหิวแผดเผาได้รับความทุกข์แสนสาหัสในขณะนั้นเขาก็ย่อมได้รับความทุกข์อันเกิดจากความหิวเมื่อเขารับประทานอาหารจนอิ่มห น, นำสำราญแล้วความหิวก็รับการบำบัดแล้วเขาจะรู้สึกเป็นสุขใจ แต่นั่นก็เป็นความรู้สึกชั่วคราวอันเกิดขึ้นเมื่อความหิวได้รับการบำบัดเท่านั้นเมื่ออาหารที่เขารับประทานย่อยหมดไปความหิวก็จะกลับเข้ามารบกวนเขาอีกทําให้เป็นทุกข์ฉะนั้นความทุกข์จึงเป็นพื้นฐานเดิมของชีวิตความสุขเป็นแต่เพียงความทุกข์ที่ได้รับการบรรเทาดูก่อนท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าและจุลพล ได้สนทนานกันต่อไปอีกด้วยเรื่องทุกข์จนกระทั่งสายมากแล้วจึงยุติข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าจุลพลรู้สึกกระปรี้กระเป่าขึ้นมีความสุขขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวคนในโลกย่อมเป็นทุกข์เพราะความไม่รู้จักทุกข์มองชีวิตในแง่สุขด้านเดียวไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้รับทุกข์เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นจึงเสียขวัญเสียใจเป็นทุกข์มาก ข้าพเจ้าเห็นว่าจุลพลเป็นชายหนุ่มที่ฉลาดและมีบุญบารมีไม่น้อยเพราะเพียงแต่ได้ฟังข้าพเจ้าบรรยายเรื่องทุกข์เขาก็สามารถบรรเทาความทุกข์ของตนเองได้อย่างมากมาย เจริญเขากล่าวกับข้าพเจ้าในตอนหนึ่งเพียงแต่ได้รู้จักกับทุกขสิบกองที่ท่านแสดงให้ฟังข้าพเจ้าก็สบายใจขึ้นมากมายเพราะเหตุผลสองประการคือประการแรกข้าพเจ้าได้ทราบว่าชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อข้าพเจ้าได้รับทุกขนั้นมันไม่ใช่สิ่งประหลาดมหัศจรรย์หรือพิเศษอะไรแต่เป็นของธรรมดาแท้ๆเมื่อเห็นว่า มันเป็นของธรรมดาข้าพเจ้าก็เลยไม่เอาใจใส่กับมันทำให้ใจสบายขึ้นประการที่สองเมื่อทราบว่าสามัญชนทุกคนในโลกแบกทุกสิบกองไว้เท่าๆกันหมดทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเบาใจขึ้นมาว่าตนไม่ได้ทุกอยู่คนเดียวแต่มีเพื่อนร่วมทุกอยู่เต็มโลกตนไม่ใช่รายพิเศษที่เคราะร้ายกว่าคนอื่นๆมีดั่ซ้ำยังดีกว่าคนอื่นๆอีกหลายคนทีเดียว เพราะข้าพเจ้าสูญเสียปฐมวันดีคนเดียวแต่นางประกาจาราเสียทั้งสามีทั้งลูกทั้งบิดามารดาทั้งพี่ชายทั้งเเคหสถานบ้านเรือนเมื่อคิดได้ดังนี้ข้าพเจ้าก็เห็นว่าทุกของตนเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่หนักหนาอะไรเลยเกิดความสบายใจเมื่อเห็นว่าสบายใจขึ้นมากแล้วข้าพเจ้าจึงถามเขาว่าอุบาสก ท่านยังมีความต้องการที่จะไปเฝ้าพระบรมศาสดาอยู่อีกหรือก็มีอยู่ท่านสมณะข้าพเจ้ายังไม่กลับบ้านจนกว่าจะได้เฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาเฉพาะพระพักของพระศาสดาพระองค์นั้นข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าถ้าได้ฟังพระธรรมจากพระองค์ความทุกข์ของข้าพเจ้าจะหายไปหมดสิ้นเพราะลำพังการได้สนทนากับท่านซึ่งเป็นสาวกของพระองค์ ก็ยังบรรเทาทุกข์ได้มากมายถึงเพียงนี้ถ้าสมมุติว่าเวลานี้พระองค์ยังประทับอยู่ที่นคร อ, อื่นอันไกลแสนไกลเล่าท่านจะทำอย่างไรท่านจะเดินทางไปพบพระองค์ถึงนคร น, นั้นหรือจะคอยอยู่จนกระทั่งพระองค์เสด็จมาสู่กรุงราชครึบชายหนุ่มดูท่าทางเศร้าลง เ, เล็กน้อยจ้องดูหน้าข้าพเจ้าอย่างงง ง, งและพูดว่า ท่านหมายความว่าเวลานี้พระองค์มิได้ประทับอยู่ที่พระเวรุวันอย่างนั้นรึถูกแล้วอุบาสกเวลานี้พระองค์ประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีห่างไปทางทิศหอรดีหลายร้อยโยอดแต่ได้ทราบว่าพระองค์จะเสด็จมาสู่กรุงราชคฤห์ก่อนฤดูฝนปีนี้จุลพลนั่งก้มนานิ่งถอนหายใจด้วยความผิดหวังครู่ใหญ่ผ่านไป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 อยู่ที่กรุงราชครึจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาข้าพเจ้าคงจะไม่สามารถเดินทางไปถึงนครโกสัมพีแน่ๆเพราะข้าพเจ้ายัางไม่ชำนาญในการเดินทางไกลอีกประการหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าเดินทางไปถึงกรุงโกสัมพีอาจจะไม่ได้เฝ้าพระองค์ก็ได้เพราะพระองค์อาจจะเสด็จไปที่อื่นเสียก่อนที่นครราชครึข้าพเจ้ามีญาติอยู่ตระกูลหนึ่ง ข้าพเจ้าจะไปพักอยู่กับญาตินั้นคอยจนกว่าพระบรมศาสดาจะเสด็จมาท่านคิดชอบแล้วอุบาสก ข, ข้าพเจ้าตอบในระหว่างที่อยู่กรุงราชกฤชถ้าท่านมีเวลาขอให้ไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเวรุวันวิหารพระเทวทัตมหาเถระเจ้าผู้เป็นพระญาติของพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นั่นบางทีท่านอาจจะได้รับประโยชน์จากท่านมาก อ้าแล้วท่านเล่าท่านสมณะหลังจากดีแล้วท่านจะไปไหนด้วยอาตมาก็ยังไม่ทราบเหมือนกันตั้งใจว่าจะเดินทางไปเรื่อยๆแต่คงจะไม่ไกลาจากบริเวณกรุงราชคลืนักเพราะอาตมาได้ให้คำ ม, มั่นสัญญาไว้กับเทวมิตรครหบดีแห่งกรุงราชคลืว่าจะอยู่แถวแถวนี้อาตมาตั้งใจจะรอนแรมไปในนิคมต่างๆถ้าพบสถานที่ ท่านสบายก็จะอยู่พักบำเพ็ญเพียนนานๆถ้าไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมก็จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆเพื่อบรรเทาทุกข์ของตนเองและช่วยบรรเทาทุกข์ของคนอื่นที่พบเห็นในระหว่างทางรู้สึกว่าชีวิตของท่านช่างเป็นชีวิตที่อิสระเสรีน่าจะมีความสุขสนุกสบายดีข้าพเจ้าชอบชีวิตแบบท่านเสียแล้วถ้าข้าพเจ้า จะขอติดตามไปกับท่านท่านจะขัดข้องประการใดหรือไม่อย่าเลยอุบาสกอย่าไปกับอาตมาเลยชีวิตของอาตมาอาจจะดูน่าสนุกแต่ถ้าดําเนินจริงๆแล้วท่านอาจจะทนไม่ไหวเพราะจะต้องต่อสู้กับความยากลําบากและอันตรายหนาแนบประการท่านก็บอกแล้วว่าท่านไม่ชํานาญในการเดินทางไกลมิใช่หรือใช่แล้วท่านผู้เจริญแต่ข้าพเจ้าอยากจะลองดู และถ้าไปกับท่านมีท่านเป็นผู้นำข้าพเจ้าคงจะไม่ลำบากมากนักขอให้ข้าพเจ้าได้ติดตามท่านไปด้วยเถิดท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเปลี่ยนใจเสียแล้วเพราะถ้าไปคอยพระบรมศาสดาอยู่กับญาติในพระนครราชครึ่ข้าพเจ้าก็คงจะนั่งคอยไปวันๆคงจะน่าเบื่อหน่ายมากแต่ถ้าได้เดินทางท่องเที่ยวไปกับท่านข้าพเจ้าอาจจะได้ฟังคาสอนของท่าน ได้ปฏิบัติบำรุงท่านได้ความรู้สิ่งแปลกแปกใหม่ๆ ใ, ในโลกกว้างขอให้ข้าพเจ้าไปด้วยคนเถิดท่านผู้มีอายุ ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดใจไม่น้อยเมื่อจุลพลขยันขยอขอติดตามไปด้วยเพราะตามปกติข้าพเจ้าชอบชีวิตอิสระท่องเที่ยวไปคนเดียวไม่ต้องห่วงใครไม่ต้องคอยพวงกับใครถ้ามีคนติดตามถ้าเขามีอุปนิสัยดีเข้ากันได้ก็ดีไปถ้าอุปนิสัยเข้ากันไม่ได้ก็เท่ากับแบกภาชนะเต็มไปด้วยคูดไว้บนบาศในคราวลาบาก ถ้าเขามีความอดทนก็ดีไปถ้าเขาไม่มีความอดทนเราก็จะต้องช่วยเขาด้วยสู้กับความลำบากนั้นด้วยอุบาสกเอ๋ยถ้าท่านให้คํามั่นสัญญาได้ว่าจะยอมอดทนต่อความยากลาบากทุกประการได้โดยไม่ปริปากบนและจะยอมเชื่อฟังคําแนะนําทุกประการของอัตมาอัตมาก็จะไม่รังเกียจที่จะให้ท่านติดตามไปด้วยข้าพเจ้าให้คํามั่นสัญญา ชายหนุ่มยืนยันอย่างแข็งขันในที่สุดเราก็ออกเดินทางจากหมู่บ้านแห่งนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตวันตกเวลาบ่ายท่ามกลางแสงแดดอันร้อนแรงแห่งขิมหันตฤดูแม้จะร้อนแม้จะกระหายน้ําแม้จะเหน็ดเหนื่อยจุลพลก็มิได้ปรีปากบนแม้แต่คําเดียวข้าพเจ้านึกชมเขาอยู่ในใจแม้จะเป็นบุตรเศรษฐี ไม่เคยต่อความกระกำลำบากเขาก็มีน้ำใจอดทนดีแต่ทว่าการที่จะรู้ท่าแท้ของคนย่อมต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันนา น, าน เราได้มาหยุดพักผ่อนกันอยู่ที่บอ่อน้ำใต้ต้นสะเดาใหญ่ต้นหนึ่งกลางทุ่งนามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบอ่อน้ำนั้นมีหญิงชาวบ้านนำหมอ้อน้ำมาตักเอาน้ำจากบอ่อนี้เทนทีสะกลับไปยังหมู่บ้านเป็นครั้งคราวเลยหมู่บ้านไปทางทิศเหนือข้าพเจ้าสามารถมองเห็นแนวเขาโสนะและเขาอุทัยอันเป็นปราการธรรมชาติด้านทิศใต้ ของพระนค ร, ครราษฤร์ได้อย่างชัดเจนจุลพลได้ตักน้ํานํามาถวายแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ดื่มและล้างหน้าลูบตัวด้วยน้ํานั้นแล้วก็นั่ง พ, กพักผ่อนอยู่ในร่มเงาอันเป็นของต้นเสตดาใหญ่ไม่มีสิ่งใดจะมีค่าสําหรับคนกําลังกระหายเท่ากับน้ําอันใสยเย็นจากบ่อไม่มีสิ่งใดจะมีค่าสําหรับคนเดินทางไกล ในวันอันมีแสงแดดกล้าเท่ากับต้นไม้ใหญ่อันมีร่มเงาร่มเย็นขณะที่เรากำลังนั่งพักผ่อนกันอยู่นั่นเองได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากทิศตะวันตกได้แวะเข้ามาดื่มน้ำและพักผ่อนด้วยสังเกตดูเขาเป็นคนหนุ่มมีรูปร่างสง่างามท่าทางฉเฉลียวฉลาดแม้ว่าจะมีร่องรอยแห่งความอิดโรยเพราะเดินทางฝ่าแดดมาก็ตาม หลังจากดื่มน้าล้างหน้าเสร็จแล้วเขาก็ตรงมาหาเราวางห่อของไว้แล้วนั่งลงข้างหน้าข้าพเจ้าหลังจากนั่งลงยกมือไหว้แล้วเขาก็กล่าวขึ้นว่าท่านสมณะข้าพเจ้าชื่อวินทุ ก, กะเป็นเหล่ากอแห่งพารทะหวาจโคโคเดินทางมาจากเมืองขยาตั้งใจจะไปยังนครราชคลถ้าท่านไม่ขัดข้อง ข้าพเจ้าใคร่จะสนทนากับท่านอัตมาไม่มีข้อขัดข้องแต่อย่างใดกลับยินดีเสียอีกที่จะได้สนทนากับท่านในเรื่องที่เป็นสาระข้าพเจ้าได้ทราบว่านครราชครเป็นแหล่งจุมลุมของนักปราชศาสดาต่างๆมากมายรวมทั้งพระสมณโคดมจากศากยศกุลนั้นด้วยข้าพเจ้าตั้งใจจะไปที่นั่นเพื่อสนทนากับนักปราดเหล่านั้น บางทีท่านอาจจะช่วยแก้ปัญหาของข้าพเจ้าได้บ้างคำพูดของวินทุกะทำให้ข้าพเจ้าและจุลพลซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยเกิดความสนใจขึ้นมาทันทีข้าพเจ้าจึงกล่าวขึ้นว่าดูก่อนวินทุกะความจริงอัตมาไม่ใช่นักปราชไม่ใช่ศาสตราจารย์เพียงแต่เป็นพระภิกษุสาวกของพระบรมศาสดาพระสมณะโคดม อย่างนั้นหรืท่านสมณนะวินทุกะพูดขึ้นด้วยทีท่าแสดงความลิกโลดใจโดยปัจจุบันทันด่วนเป็นโชคของข้าพเจ้าแล้วที่ได้มาพบกับสาวกของพระาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นั้นข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาตัดสรุปเองโดยชอบประกอบวิชาและเจรณะชาญฉลาดในธรรมทั้งมวลสามารถแก้ปัญหาได้ทุกชนิด ข้าพเจ้าใฝ่ฝันเสมอที่จะพบพระองค์แต่ยังไม่มีโอกาสข้าพเจ้าอาจจะมีบุญน้อยจึงไม่ได้เข้าเฝ้าและสนทนากับพระองค์แต่ข้าพเจ้าก็ดีใจที่จะได้พบสาวกของพระองค์ก่อนที่จะได้พบกับองค์จริงของพระบรมศาสดาพระองค์นั้นท่านมีปัญหาข้องใจอะไรก็เชิญถามมาเถิดถ้าอาตมาพอจะช่วยตอบได้ก็จะตอบ ถ้าปัญหามีอัตถะอันลึกซึ้งเกิดวิสัยที่จะตอบได้ทันทีอาตมาก็จะนำไปศึกษาค้นคว้าตึกตรองจนกว่าจะพบคำตอบในภายหลังเรื่องของข้าพเจ้าเป็นเรื่องยาววินทุกะพูดด้วยท่าทางเอาจริงอ่อนจังข้าพเจ้าจะต้องเล่าเรื่องให้ท่านฟังตั้งแต่ต้น เพื่อให้เรื่องติดต่อกันกล่าวคือเมื่อหลายปีมาแล้วข้าพเจ้าได้ไปศึกษาศิลปะวิทยาอยู่ในสำนักอาจารย์ทีิสาปาโมกแห่งเมืองตักกศิลาข้าพเจ้าได้ตั้งใจเรียนด้วยความอุตสาหาวิริยะเป็นยอดพร้อมกับปฏิบัติบำรุงอาจารย์ด้วยความเครารพยำเกรงจนเป็นที่พออกพอใจของอาจารย์ภายในเวลาหปีข้าพเจ้าก็เรียนจบสิ้นกระบวนความรู้ เท่าที่อาจารย์มีอยู่ในวันที่ข้าพเจ้าจะกราบลาอาจารย์กลับคืนสู่บ้านเมืองแห่งตนข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ท่านยังมีวิชาใดๆเหลืออยู่อีกหรือไม่ซึ่งข้าพเจ้ายัางไม่ได้เรียนซึ่งท่านอาจารย์ยังไม่ได้สอนแก่ใครท่านอาจารย์ก็บอกว่ามีสิวินทุ ก, กะแต่วิชาที่ว่านี้เรียนได้ยากกระทําได้ยาก จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันยุ่งยากมากมายจึงจะเรียนได้ข้าพเจ้าตอบท่านอาจารย์ว่าข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการที่ท่านอาจารย์จะกําหนดให้ขอแต่ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเรียนวิชาดังกล่าวนั้นท่านอาจารย์จ้องมองดูข้าพเจ้าด้วยท่าทีที่เคร่งเครียดแล้วกล่าวว่าวินทุ ก, กะเจ้ายัางไม่รู้เลยว่า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 จึงจะขอบอกวิชานี้ให้วิชานี้เรียกว่าสัพสิทธิมนต์ผู้ใดได้เรียนวิชานี้ผู้นั้นจะได้สิ่งที่ตนมุ่งประสงค์ทุกประการแม้จะปรารถนาเอาสมบัติทั้งปวงในโลกหรือแม้แต่ทิพยสมบัติของเท้าสั ก, กัดเทวราชก็จะสําเร็จได้ดังมุ่งหมายเราจะให้วิชานี้แก่เจ้าถ้าเจ้ายินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเรา